แค่นั้นนะ ม, มีอะไรมากปฏิบัติดูแค่สองตัวนะพะพุทธเจ้าให้ละนันทิหรือละความเพลินท่านย้อมไม่ว่าตราที่ไหนพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงละนันทิพิสูจน์ทั้งหลายเธอจึงถอนหญ้าแต่อย่าอย่าตัดต้นไม้คบอุปมาของท่านความหญ้ากับต้นไม้เนี่เนี่ยมันขึ้นง่ายกว่าเนี่ยมันขึ้นยากแต่เราต้องการากหญ้าหรืต้องการต้นไม้ต้องถอนอะไร ปีหนึ่งต้องเสียค่าถนอนเยะหลายหลายตังค์ต้นไม้นี่ไม่ต้องเราอยากเราเสียตังค์ในการปลูกใช่ไหมต้นไม้นะอาจจะยากต้องเสียตังค์ในการถอนน่ะแล้วปฏิบัติก็เหมือนกันจะไปคิดอะไรยากถ้าเข้าใจเรื่องนี้นะปฏิบัติง่ายมากแต่ที่มันยากเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักความเพลินเราคุ้นว่าความเพลินนี่ควาสบายนั่ง น, นานๆก็ไม่อยากเปลี่ยน สบายแล้วเดินนานๆก็ไม่อยากนั่งเพราะมันสบายแล้วมันได้อารมณ์อารมณ์ก็คือเพลินนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ศรัทธาเราไม่ใชไ่ไม่ใชอบไม่ขยันแล้วศรัทธาเราขยันเวลาทานอาหารถ้าถ้าไม่อร่อยกับอร่อยเนี่ยเราชอบอันไหนชอบอร่อย อาหารสุขภาพอาหารที่มันเพื่อเป็นไปนสุขภาพส่วนใหญ่มันอร่อยหรือไม่อร่อยไม่อร่อยแต่เราชอบไหมไม่ชอบแต่ฝืนกินแต่ละ เ, เรากินอาหารที่ไม่อร่อยเป็นอาหารสุขภาพให้มันอร่อยตัวเนี้ยมีนัยยะสําคัญแต่เรื่องอาหารอร่อยแล้วพรอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยเป็นธรรมดามากพราะคนมันสแสวงหาอยู่แล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าเน้นเลยเน้นให้ละนันที่ ถ้าเธอละนันทีไม่ได้เธอก็ต้องไปละนิวรณ์เธอละนิวรณ์ไม่ได้ก็ไปละราคาทูสาวมัหักเธอละราคาทูสาไม่ได้ก็ไปละตันหาทิฏฐิอันไหนไมันยากกว่ากันอะละ <c oughs> ละความสบายกับความไม่สบายเนี่ยอันไหนละยากกว่ากันเออเป็นนิยะที่สําคัญทำมีทีการละความสบายกับละความไม่สบายเนี่ยอันไหนยากกว่ากัน ยากกว่าใช่ไหมนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นสัญชาติยานของเราถ้าคนไหนยังชอบความสบายอยู่คนนั่นงจะปฏิบัติแบบสั้ชาติยานยังไม่เกิดปัญญายาณแล้ยนะแต่ถ้าเราเราเร า, เรา ส, ส, ส, สบายได้เราไม่สบายได้เป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่เราจะชอบความสบายและไม่ชอบความสบายเราเวละตรงนั้นแล้วความชอบหรือไม่ชอบ เราคนสบายไม่สบายเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติของกายนั่งบนน้ำอยู่ไม่สบายพอเปลี่ยนหน่อยมันก็สบายถ้าสลับกันอย่างนี่ยแต่ประการสําคัญเราเปลี่ยนเพราะความชอบหรือเปลี่ยนเพราะความไม่ชอบอ่านั่นแหละดูตรงนั้นด้วยอย่าเปลี่ยนด้วยความชอบแต่เปลี่ยนเพื่ออะไรเพื่อความรู้สึกตัวอ่าแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราเปลี่ยนความด้วยความเพื่อความรู้สึกหรือด้วยเพื่อความชอบ ก็ความชอบเพราะมันนั่งไป น, นั้นๆไม่สบายเราไม่ชอบใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนแล้ว เ, เปลี่ยนด้วยเหตุผลว่าเราชอบหรือไม่ชอบไม่ได้เปลี่ยนได้เหตุผลว่าเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวแค่นี้ปฏิบัตินะไม่ยากหรอกพูดกันไปม า, มาพูดมาเกือบสาสิปีก็พูดในเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ได้พูดอะไรมากกว่า น, นี้แต่มันพูดมากพเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจต้องพูดกันมากแค่นั้นเองนะ โดยเฉพาะเป็นพระบัญชียิ่งสบายง่ายเพราะอะไรเป็นพระบัญชีเนี่ยปฏิบัติก้าวหน้ายากกว่าชาวบ้านเพราะอะไรเพราะมันมีแต่เรื่องสบายบ้านไม่เช่าเข้าไม่ได้ซื้อเงินไม่ได้บริวารอยู่อูนอนไม่มีสิทธิอะไรเดียวที่มันก็เลยปฏิบัติยากสมัยก่อนนะเมื่อสมัยยุคต้นๆเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เป็นดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เป็นพระโสดาบาก่อนไม่เป็นพระโสดะบานก่อนพระพุทธเจ้าจะไม่ให้บวช แต่คนไหนได้ดวงตาเห็นธรรมได้ส่นท่านมึงบวชเลยมึงไม่ต้องอยู่ชี้ให้บวชเลยท่านคงไม่ใช้ภาษาแบบนี้นะแต่เราภาษาแบบเรานะเพราะอะไรเพราะคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมมันจะจัดการกับความเพลินไม่เพลินเนะี่ยได้พอรู้แล้วว่าไอ้นรกมันเกิดจากอะไรสวรรค์มันเกิดจากอะไรสวรรค์ไม่เจอความเพลินนรกมันก็เกิดจากความไม่ชอบไม่พอใจนี่แหละ พอไม่สบายนรกเกิดจากสวรรค์เกิดจากความสบายนรกกิดจากความไม่สบายแต่สวรรค์กับนรกทางกายเนี่ยมันต้องเกิดความสบายไม่สบายมันเป็นธรรมชาตินั่งอยู่ใหม่ๆก็สบายไปสัพักก็ไม่สบายก็ไปอยู่เนี้ยแล้วก็แล้วก็ลุกไปเปลี่ยนไปแต่พอมาเป็นนักปฏิบัติแล้ว เ, เราจะเอาสองตัวแล้วเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือปฏิบัติไม่ต้องไปคิดหาอะไรยากหรอกมันมีอยู่แล้วล่ะไปคิดไดลึกซึ้ง ในชีวิตประจำวันของเราเราก็แสวงหามันอยู่แล้วไอ้ความเพลินใช่ไหมเนี่ยอาหารไม่อร่อยก็ต้องหาปรุงให้มันอร่อยปรุงแล้วไม่อร่อยก็ต้องใส่ผงอร่อยอใส่ผงอร่อยนอนแล้วไม่หลับ <c oughs> ก็นอนนอนแ้วไม่หลับถ้านอนไม่หลับก็ต้องกินยานอนหลับกินเหล้าให้มันหลับเพลินอะติดความเพลินจึงต้องได้กินยาช่วยมันติดความเพลินต้องได้กินให้มัน มันถูกใจแหละนะเพราะยันโครคภัยไข้เจ็บความทุกข์ทั้งหมดเกิดมาจากความเพลินนี่คนะือน้าที่นั่นแหะอืมด้วยนั้นตรงนี้แหละให้ไปพิจารณาให้ดีถ้าหากว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมก็หมายความว่าเห็นความเพลินแล้วออกความเพลินเอาความเพลิน อ, ออกได้เห็นความเอาไม่เพลินเข้ามาแทน แต่ไม่จะให้มันทุกข์นะแต่เอาไม่เพลินนะ่ะมันจะทุกข์ก็ได้สุข ก, ก็ได้แต่ไม่ให้เพลินในสุขในทุกข์นะแล้วเพลินในสุขเพลินในเรื่องมีหกเรื่องเพลินะเพลินในเรื่องตาในมองอะไรสวยๆเ ง, งางๆก็เพลินอยากจะมองนานๆไปเห็นอะไรไปเห็นดอกไม้สวยๆก็ไปเห็นซากศพเนะี่ยชอบมองอะไรแต่เพราะผู้ดวงตาเห็นดำชอบไปดูซากศพ แต่ผู้ยังไม่ได้ดวงตาเห็นทางมก็ชอบไปดูดอกไม้ในชีวิตประจวันเราจิงหาความเพลินอยู่แล้วเวลาในชีวิตประจวันที่ฝรั่งมันทักกัน enjoy enjoy your meal enjoy your sleeping enjoy your eating enjoy your sitting คือให้เพลินในนัง่งการยืนการเดิ น, นนะั้นทำให้เพลินเลยน ะ, ะเพลินให้มันติดใจนักปฏิบัติเราพยายาเพลินในเรื่องอาหารการกินต้องออกธรรมาหากินในแต่เช้าอาหารมีที่ไหนก็ไปหากันเพราะเพลินในรถ แกงโดยที่ไม่ต้องอใส่อะไรมากๆโอ้ไม่อร่อยต้องใส่เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวที่เราชอบนั่นแหละมันจะเป็นตัวอุปสรรคตัวที่เราชอบนั่นแหละเป็นตัวอุปสรรคตัวที่เราไม่ชอบนั่นแหละก็จะเป็นตัวอุปสรรคเพราะฉะนั้นตัวชอบหรือไม่ชอบจึงเป็นตัวเหตุเกิดทุกเหตุของปัญหาเรามาปฏิบัตินี้เรามาปฏิบัติเอาอ ไม่ใช่เอาความทุกข์กายนะไม่ใช่เอาความทุกข์กายหรือไม่ใช่เอาความสบายกายแต่มาล่าความเพลินในความสบายกายมาล่ความเพลินในความไม่สบายกายไปดู2 อ, อย่างเนี่ยความรู้สึกเพลินกับความรู้สึกตัวต่างกันอย่างไรก็จะเห็นชัดนะแต่ความรู้สึกสบายกับความรู้สึกเพลินเนี่ยต่างกันยังเห็นยาก ความรู้สึกสบายกับความรู้สึกเพลินความรู้สึกสบายกับความรู้สึกเพลินอันไหนเป็นเรื่องของกายอันไหนเป็นเรื่องของใจอย่าฟังเพลินถ้าหลวงพ่อถามปุบต้องตบปุ๊บเลยแสดงว่าอความรู้สึกสบายกับความรู้สึกเพลินอันไหนเป็นเรื่องของกายเรื่องเป็นเรื่องของใจความรู้สึกสบายเป็นเรื่องของกายความรู้สึกเพลินเรื่องของใจ นี่เราปฏิบัติธรรมตามใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามกายในะทุกวันนี้นะมันถึงไม่ไปหน้ามาหลังไงแก้ปัญหาอะไรได้ยากไพรอยู่ที่ไหนไม่มีคนถูกใจไม่มีคนชอบไม่มีเพลินไม่มีอาหารเพียงพอไม่มีที่อยู่ไม่ให้เพลินไม่อยู่ที่อยู่ไม่สะดวกก็ไปแสวงหาปฏิบัติทุกวันไปแสวงหาสํานักดีๆแสวงหาสํานักที่อาหารดีๆอร่อยๆไปสํานักหาคนที่ถูกใจไปหาสํานักที่มัน อารมลื่นสบายเราก็จะสแสวงหาสิ่งนั้นแหละใคสำนักไหนไม่เพื่อนไม่ถูกใจมีอาหารไม่อร่อยมีสำนักไม่สะดวกไม่อยู่ลไปใหม่เราแวสแวงหาอะไรสแสวงหาความเพลินใช่ไหมเป็นนักปฏิบัติแล้วน ะ, ะไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่นักปฏิบัติมันเรื่องถึงไม่ไปไหนวนเรื่ออย่างเงี้ยหพ่อทำงานมาหนักทั้งตลอดเพราะสู้รบ ก, กันอ่จจะหาคนมาช่วยก็ยาก เพราะคนไม่ติดความเพลินกือหมดมาก็ติดมาก่อนแหละแต่มันเรียนรู้เออย่างมาปฏิบัติมานาน 20, 30, 40, 40ยี่สิบาสิบสี่สิบปีเราจะนอนเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรก็สบายใช่ไหมจะต้องทําไมตัวมาวิ่งตลอดตลอดในเรื่องเผยแผ่ไปกันทั่วโลกเลยนะอยู่ที่เมืองไทยสช้หเดือนอยู่เมริกาสช้สาเดือนอยู่ลุยดูสามเดือนวนกันเยอะทั้งปีเกือบยี่สิปีแหละ ก็จะไปเจอปัญหาเรื่องเดียวกันนะี่ยไปโลกไหนก็เจอปัญหาเรื่องเดียวกันนะ่ยปัญหาเรื่องคนติดใจในความสบายไม่พอใจในความไม่สบายเขาเป็นแน่ให้เขาเลิกถามว่าเลิอกอยากหรือเง่ายยากมากมาแต่มันถ้าไม่เลิอกอันนี้ไม่ได้แต่แก้ไขปัญหานี้ไม่ได้มันไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าคนไหนเลิกละนันทิ ในทั้งความสบายไม่สบายได้ก็ถือว่าได้ดูตใเห็นธรรมขันต้นละเมื่อไหนไม่สบายเกินไปก็ไม่เอาเลิกอันไหนมันไม่สบายก็ไม่เอานะไม่อยากจะแชร์ว่าอันไหนที่มันไม่สบายเนี่ยท่านบอกให้ทนไม่ให้หนีไม่ให้กลัวไม่ให้กดไม่ให้ข่มท่านบอกให้ทนคําว่าทนกับการบีบคั้นนี่ต่างกันไหม ทนนี่แก้ไขได้ไม่ได้เวลาพระกับพระพุทธเจ้าท่านเจอกันทนะ่านถามาขามเรียงอวุโซพระก็ตอบว่าขามเรียงพันเตพุทธเจ้าถามขามเรียงอวุโสพอทนได้ไหมท่านอพระก็จะตอบว่าขามเรียงพันเตพอทนได้ขอรับแต่คนทั่วไปเราจะทักกันว่าไงสบายดีไหมสบายดีเป็นฟอร์มเลยนะแต่ความจริงสบายหรือเปล่า มันไม่สบายท่าบอกว่าสบายดี <c oughs> ถามว่าสบายดีไหมมันผิดตั้งแต่เมื่อไหร่ผิดตั้งแต่ถามเราใช่ไหมมันมันนุ่นไม่ได้สบายเนี่ยเดี๋ยวปวดนั่นปวดนี่แสบนั่นคันนี่อบนั่นอ้าวนี่อัดนั่นแน่นนี่หนักนั่นหน่วงนี่ตลอดเวลาทีสังเกตให้ดีมันจะหยาหรือละเอียดเท่านั้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติคือมาสํารวจความสบายและไม่สบายตัวเองตลอดเวลา เราต้องการอะไรในชีวิตต้องการความไม่ทุกนะไม่ใช่ต้องการความสุขนะความสุขกับความไม่ทุกเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องอ่าอย่าตอบง่ายๆยเดินไปความไม่ทุกกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องความไม่สุขกับความทุกเป็นคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันพิจารณาก่อนตอบ ไม่ใชเห็นว่าคําถามง่ายตอบได้พุ่งเลยผิดคนละเรื่องเลยนะความไม่ทุกข์กับความสุขต่างกันไหมหรือเหมือนกันความสุขคือความทุกข์น้อยความไม่ทุกข์มันไม่มีทั้งสุขแล้วไม่มีทั้งทุกข์เห็นไหมคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนอกจากมีศรัทธาในการทำเข้าใจในการทำแล้วยังในเรื่องที่ละเอียดเนี่ยต้องมีการพิจารณาสักนิดหนึ่ง ที่เขาดักหลุมล่อเอาไว้เราก็ไปหลงโดนนั่นแหละกิเลสมันก็ดักลออ่อเราทีนี้ความไม่ทุกข์กับความไม่สุขเนี่ยเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง <c oughs> <c oughs> ความไม่ทุกข์ความไม่สุขคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกัน <c oughs> นั่น <c oughs> เห็นไหมมีสองคำตอบละหนึ่งคำถามได้มีสองคำตอบ ใครว่าคนละเรื่องยกมือขึ้นลงใครว่าเป็นเรื่องเดียวกันยกมือขึ้นไม่กล้า ย, ยกคนไหนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจยกมือขึ้นคนที่ไม่ยกมือก็ยกมือขึ้นเห็นไหมแค่นี้ก็จบละใช่ไมเพราะความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจมันเป็นปัญหาอ่า ดังนั้นความไม่สุขไม่ทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องการท่านใช้คําว่าเหนือสุขเหนือทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันความไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันความสุขกับความทุกข์ก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะอะไรเพราะความทุกข์ก็คือความสุขน้อยความสุขก็คือความทุกข์น้อยลงเท่านั้นเองมันทุกข์เหมือนกันแต่มันมัน มันทุกข์มากก็ด้วยสุขมนน้อยไม่สุขมากก็ทุกข์นน้อยเรื่องเดียวกันมาถามว่ <S 2> <S 2> <My S 1> าไมตัวนี้หัวท้ายนี่เป็นปัญหาเดียวกันอันเดียวกันอันนี้สมมติอันนี้สุขอันนี้ทุกข์อันเดียวกันดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเราต้องการความเข้าใจไม่เจ้าต้องการว่าทําได้เยอะๆทําได้มากๆทําได้นานๆ ในมรรคมีองค์แปดขึ้นด้วยสัมมาหมดนะสัมมาทิฏฐิส ม, มาสังกัปะสัมมาวาจ า, ส, มมาสัมมาหมดคำว่าสัมมาเนี่ยคือคือให้เข้าใจให้ถูกต้องทําให้ถูกต้อ ง, องพูดให้ถูกต้องคือให้ถูกอะ่ะถ้าทํามากแต่ทําไม่ถูกเสียเวลาทําน้อยแต่มันทําถูกดีกว่านะคําว่าทําน้อยนีย่เอ๊ะทำยังไงไม่ต้องทําเลยทำสักหน่อยก็นอนอย่างนั้นใช่ไหม ให้ทำน้อยคือหมายก็ว่าทานั่นแหละแต่ว่าให้มันทุกข์น้อยน้อยหน่อ ย, หอยให้มันสุขน้อยน้อยหน่อยเรียกว่าทำน้อยทาให้สุขให้ทุกข์มันน้อยลงเพราะเรารู้ว่าสุขกับทุกข์เปนเรื่องเดียวกันแต่ทำให้มันน้อยลงแต่ทำอะไรให้มันมากขึ้นทำไม่สุขไม่ทุกข์ให้มันมากขึ้ น, น, นเพื่ออะไรเพื่อให้ภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นนิสยัย ไปเจออาหารอร่อยก็กินได้เจออาหารไม่อร่อยก็กินได้ไปเจอเพื่อนที่ดีแล้วก or or ็อยู่ได like ้ไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีเราก็อยู่ได้เห็นไหมมันดีอย่างนี้นะที่ว่าไอตัวที่ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์น่ะไปเจอที่นอนที่หลับไม่ได้ก็อยู่ได้ไปเจอที่นอนหลับได้ก็อยู่ได้ มันทาให้รู้อยู่ได้แล้วทําเรื่องนี้ให้มันชํานาญที่นี่เราจะอยู่ไหนก็อยู่ได้มาก็ไปได้ทั่วโลกเลยทีนี้เพราะอะไรเพร อ, อยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้เพราะมันไม่เลือกเพราะเราไม่เลือกว่าดีหรือไม่ดีแต่เราไปเพื่อที่จะรู้ว่าดีที่คนชอบมันเป็นอย่างไรที่ไม่ดีคนไม่ชอบมันเป็นอย่างไรเราต้องการไปรู้เรื่องนี้ผลมันเป็นอย่างไรคนที่ชอบติดดีเนี่ยผลไป คนที่วิ่งหาแต่สิ่งที่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ยอมไม่ยอมรับรู้ด้วยเป็นอย่างไรนะวิ่งหาเพื่อนที่ดีวิ่งหาแต่ครูบาอาจารย์ที่ดีหาไปหาเพื่อนที่ไม่ดีก็ไม่อยากอยู่ด้วยไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ถูกใจไม่ใช่พระธรรมมีดีนะแต่ไม่ถูกใจเราพูดไม่ถูกใจเราทําไม่ถูกใจเราเท่านั้นเองคือแต่เจออาจารย์ครูบาอาจารย์ดีขนาดไหนก็ตามแต่เขาทําไม่ถูกใจเรา เราก็ไม่อยากอยู่ด้วยใช่ไหมผู้อาจานี่ดีทุกอย่างนะเสียอย่างหนึ่งตรงนั้นแหะเราก็ไม่พอใจตรงนั้นะเสียอย่างหนึ่งนั่นแหละอันดีหมดทุกอย่างเสียอย่างหนึ่งบังคับมากเกินไปเสียอย่างเดียวถ้าไม่บังคับสักหน่อยนะพอให้เราทําสบายๆนะอันนี้อันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่เสียตรงนี้แหละอย่างอื่นท่านดีหมดนะตรงนี้เราก็ไม่เอาด้วยเพราะไม่ถูกใจเราดังนั้นการปฏิบัติ ไม่ต้องทำอะไรมากอย่าทำอะไรได้วยความเพลินให้ละเสียเอ้นั่งสั่งจกว่าไปมันไม่ให้เพลนินจะทำอะไรหลวงพ่อทำๆไปมันเพลินใช่ไหมละความเพลินเนี่ยนั่งไปล่กไปได้ไหมยอยากสมมุติเรานั่งเนี่ยมันไม่สบายเรานึกถึงความสบายได้ไหมให้มันสบายขึ้นทันทีไหมนั่งไป มันไม่สบายแล้วก็บริกรรมว่าไม่อทุกหนอทุกหนอบริกรรมอนี้ไปเรื่อยทุกมันจะหายไปไหมไม่หายอะ่ะมันต้องมีการกระทําเกิดขึ้นนะเพราะนั้นในวิธีการที่หลวงพ่อพาทำคือให้ให้ทนแต่ว่าไม่ให้กดไม่ให้ขม่มไม่ให้บงังคับแต่ให้ทนเอาพอทนได้เอาพอร่างกายทนได้ เราอยาวอาจิตใจทนนะถ้าจิตใจทนน่ยมันฆ่าร่างกายตายเลยนั่งให้มันทะลุสมชั่วโมงกูไม่ยอมเปลี่ยนก็ได้ใจมันทนได้แต่ร่างกายทนไหวไหมอ่าไม่ไหวถอยธรรมชาติแค่สิบนาทีมันก็ทนไม่ไหวแล้วแต่ใจมันถ้ามันอยากจะให้ทนสักสมชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ได้ใจเลเพราะฉะนั้นคําว่าพอทนได้คือกายพอทนได้ทนไม่ได้คือกายทนไม่ได้ดูที่กายเป็นหลัก พอกายแล้วไม่เคยโกหกเรานะเวลามันร้อนมันก็บอกเราว่าร้อนเวลามันสบายมันก็บอกเราไม่เราสบายแต่ใจเราไม่ใช่งี้ยบางทีเราไม่สบายเราก็บอกว่าเราสบายบางทีเราสบายเราก็บอกว่าเราไม่สบายบางทีเราไม่ชอบเราก็บอกว่าเราชอบบางทีเราชอบเราก็บอกไม่ชอบเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้ใจเนี่ยเพราะนั้นอย่าเชื่อใจ แต่ดูกายไว้ก่อนดูกายจนกระทั่งจิตมันตรงเพราะจิตนี่มันเคยคดกับเรื่องมันก็คดกับกิเลสมานานแล้วแต่เราจึงมาทําเรื่องกายให้มันชํานาญเพราะกายมันเป็นคนเป็นสิ่งที่ซื่อตรงไปตรงมาเพราะนั้นเรามาฝึกจิตให้มันตรงเหมือนกายซะก่อนที่มาทนะํานีย อารมกายอารมศีลอารมจิตอารมปัญญาเบื้องต้นเนี่ยให้ท่านท่านบอกให้อารมณ์กายกับอรารมศีลใชก่อนอารมณกายให้มีศีลใชก่อนแล้ถึงแกอ่อารมจิตอารมปัญญาทีหลังถ้ากายยังไม่มีศีลถ้ากายยังไม่สบายเนี่ยต้องอบรมอยู่นั่นแหละอบทั้งอบด้วยอบให้มันสุขลมให้มันสวย อบอยู่องนั้นอ่ะแล้วก็มาลมอีกทีนึงให้มันสวยถ้าร่างกายยังไม่ได้อบไม่ได้ลมมันก็ไม่สวยเมื่อไม่สวยก็ยังไม่มีสียังกายยังกระดดกระเด็กอยู่กล้าก็ยังไม่เป็นลุกก็ยังไม่เป็นนั่งก็ยังไม่เป็นเดินก็ยังไม่เป็นถ้ามันเป็นแล้วเราจะไม่นั่งเพลินเราจะนั่งให้รู้สึกเราไม่ให้นั่งรู้สึกเพลินนั่งให้รู้สึกตัว แล้วนั่งเป็นก็เรา n ั่งให้รู้สึกตัวไม่ใช่นั่งให้รู้สึกเพลินเว่าเดินก็เดินให้รู้สึกตัวไม่ใช่ให้เดินรู้สึกเพลินเดินไปเดินมามันอดเพลินไม่ได้ทําไงก็เปลี่ยนซะแล้วนั่งนานๆมาอดเพินไม่ได้ก็เปลี่ยนท่านั่งเป็นท่ายืนซะยืนอะไรมามันมันเพลินก็เปลี่ยนไปท่ายืนไปท่าเดินซะแล้วที่ขอถอนธรรมานี่นั่งนั่งยืนเดินนั่งแล้วไม่ไหวท่านกรมาก็ให้นอนทําด้วยนะแต่ห้ามหลับตาแล้วอย่าเพลินถ้าเพลินแล้วลุกขึ้นเลย ได้พระพุทธเจ้าบอกให้ยืนเดินนังน่งนอนอ่ะแต่ว่าเอาความเพลินในการยืนเรื่องนังน่งนอนออกเสียการยืนเรืนน่องนอนก็เป็นการยืนนั่งนั่งแบบรู้สึกตัวนี่คือความยากบ<ฤ>ูเหมือนง่ายๆนะแต่มันไม่ง่ายเลยมันยากอือันนี้คือคื อ, คอที่เราต้องทําแล้วทำอีกเพื่อเพื่อมละความเพลินนะเอาไปอยู่กับความไม่เพลินจชะ มาละความพอเอาว่าพอทนได้ร่างกายเอาพอทนได้อย่าให้มันเหลือทน <c oughs> โอ้เหลือทนอะนะนะเอาใจยังไม่ต้องไปเชื่อมันใจนี่มันจะทนมากก็ได้ทนน้อยก็ได้มันจะทนก็ได้ไม่ทนก็ได้เพราะใจเนถ้างมันอยู่ภายใต้การยังไม่ทันอบรมด้วยศีลไม่อบรมด้วยกายไม่อบรมศีลเนี่ย ใจก็ยังเชื่อไม่ได้แต่เมื่อใดอบรมกายอบรมศีลให้เข้มแข็งแล้วเออใจเชื่อได้เพราะมันจะมันจะตรงเหมือนกายแต่ทุกวันนี้มันคนละเรื่องเลยนะเราในบางทีในใจของเราเนะี่ยเต็มไปได้วยความขัดแยง้งไปพอใจไม่ชอบใจแต่เราสามารถปรับกิริยามารยญาตให้ริมยิ้มลืล่นได้คอยพูดไพเราะได้แต่ใจไม่มีใครรู้ว่าเป็นยังไงนะ เพรานั้นเองตรงนี้เราจะต้องอบรมกายให้มันมันเป็นไงไม่ให้มันสบายและไม่ให้มันไม่สบายนะให้มันพอทนได้ในส่วนกายแต่ในส่วนจิตนั้นอย่าไปเพลินนะเพลินคือไปติดใจไปชอบใจอยากจะนั่งนานๆอยากจะทํานานๆ อยากจะเดินนานๆเพราะฉะนั้นในข้อของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ให้เดินนานนาั่งนานยืนา น, นานนอนนานทำสลับกันไปเรื่อยๆเพราะนานแล้วมันเพลินเพลินแล้วไปติดง่วงบางติดเบือ่อบางติดขี้เกียจบางคือติดนิวรณนทุกตัวเลยพระพุทธเจ้าท่านเน้นนักเน้นหน่าว่าพิสูจทั้งหลายเธอจงละนันทิละความเพลินเสียความเพลินในความสบายใจความสบายกายเรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคท่านให้ละ เ้าเพลินในความไม่สบายกายไม่สบายใจท่าเรียกว่าอาตัตตะกิลมถานโยคให้ละเสียเธอจงละทางสุดตรงสองทางละความเพลินในกามในกายนี้ละความเพลินในใจนี้ละความเพลินในยตนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเราเดินก็ดีสำรวจด้วยวเราเพลินหรือไม่เพลิน เดินไปนี่เพื่อจะไม่ใช่มันได้ชั่วโมงเยอะๆนะวันนี้ปฏิบัติได้สิบสองชั่วโมงนะสิบห้าชั่วโมงนะแต่ว่ามันเพลินไปแค่สิบเอ็ชั่วโมงแล้วมันรู้สึกตัวชั่วโมงเดียวคุ้มกันไหมไม่คุ้มนะอย่างน้อยครึ่งต่อครึ่งมันก็ยังคลุ้มเลยใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องเลยครึ่งนะรู้สึกตัวแค่สิบชั่วโมงเพลินแค่สักสองชั่วโมงอย่เออไปค้าขายมยังได้กาไรมั่ง ถ้าสมมุติว่าเท่าตัวนี้ก็เหนื่อยเปล่านะใช่ไ่าลงทุนไปพันหนึ่งได้มาสองพันได้ลงทุนไปพันได้มาสองพันการทำท่าจะขาดทุนอยู่เหมือนกันน ะ, ะลงทุนไปพันให้มันได้สักหมื่นเอันนี้ก็เหมือนกันเราลงทุนมานั่นเนี่ยลงทุนละบ้านละเมืองละความสะดวกสบายละลูกละผัวละเมียละเพื่อนละฝูงละมือถือ มือถือนี่เป็นกล่องหลวงใจถูกรืมหมดไหมตอนนี้หรือใครยังแอบเอาไว้อยู่ <c oughs> ประการแรกหลวงพ่อเราต้องวางมือถือตั้งแต่โต๊ะทะเบียนบางคนก็มีการต่อรองนะลองก็หลวงพ่อเดี๋ยวนัดหมอเอาไวนะ้เนีฮะผมกลัวผมไม่เคยตื่นเช้าขอโทรศัพท์ไว้ดูเวลานหน่อยเดี๋ผมไปสมัครงานไว้เขาบอกเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะโทรมาผมต้องมีโทรศัพท์เพื่อรอเขาจะโทรมาเมื่อไหร่ ถ้ า, าโทรมาไม่เจอเนี่ยเข า, าไปรับคนอื่นนะ ม, นมันมันมีถายเยอะแยะเลยนี่เขาเรียกเป็นที่มาของความวิตกของใหญ่แล้วก็สมเหตุสมผลนะน่าฟังนะถ้าอย่างนั้นคุณไม่พร้อมคุณยังไม่โทงมาไปพบหมอไปพบกหาการหางานให้เรียบร้อยก่อนอย่ามาด้วยความไม่พร้อมมันมันมันไม่ได้อะไระคุณมาแล้วคุณไม่ยังห่วงเป็นห่วงตายห่วงหมอห่วงยาห่วงเพื่อนห่วงฟุงสําหรับเวลาหลวงพ่อที่วัด ที่เวลาไปเปิปอดอบรมที่ไหนเราให้ตื่นมาอย่างน้อยตีสตีสถึงตีห้าเนี่ยหลวงพ่อจะให้มันมานั่งสร้างจังหวะวันนี้ไม่เอาพาออกกรลังกายหนึ่งชั่วโมงทำอย่างเงี้ยมาตลอดนะเพราะอะไรคนยิ่งแก่ก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นอ่าถ้ายิ่งแก่ยิ่งงอมลงยิ่งแก่ยิ่งป่วยแสดงไม่ถูกแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมดาแต่พพุทธเจ้าบอกให้อยู่เหนือธรรมดา เป็นธรรมดาเกินไปความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะให้มันเป็นธรรมดาฝนตกน้ําไหลลงห้วยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมฝนตกน้ําไหลลงทะเลเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันไม่ไหลเขาไม่ทําให้มันไหลนะใช่ไหมเอ่อไม่น้ํายมเนี่ยเทียงกันมาสี่สิบกว่าปีมันยังสร้างขื่นไม่ได้เลยเพราะน้ํามยมเยอะมากมันไปท่วมตั้งแต่นุ่น สุโขทยพิจิตที่โลกพี่ทุ่มถึงกรุงเทพถ้ามันกั้นไป็น้ํายมได้เนี่ยมันสบายไปละแต่มันกั้นไม่ได้เพราะมันธรรมดาแต่ถ้ากั้นได้เมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วทีนี้มันจะมีไฟใช้มันจะมีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์มันจะมีการเกษตรมีการท่องเที่ยวอะไรมากมายเพราะไปกั้นไว้เนี่ยนั่นไม่ธรรมดานะเขื่อนฝนตก เขื่อนสลีกิตเขื่อนผูยุ่งปไม่ธรรมดาพ่อเราพ่ธทำให้เรามีไฟใช้มีแสงสว่างใช้เมื่อเมื่อสร้างเขืเ่อนเซตินไปเลยอันนี้นอกเรื่องหน่ยนะเราต้องไปซื้อไฟฟ้าจางไหนจากพมา่าจากลาวไปช่วยลาวสร้างเขื่อนไปช่วยอ่าพม่าสร้างเขื่ อ, อ, อเนเพื่อจะเอาน้ำมาใช้นี่นั่นไม่ธรรมดาเราเหมือนกันน่ะเวลามันทุกเนี่ยธรรมดาไหมเวลามันสุกเนี่ยธรรมดาไหมธรรมดา เกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาไหมธรรมดาอ่าคือหมายความว่าตกมาแล้วก็ไหลธรรมด า, รรมดาแกแล้วเจ็บแล้วก็ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าแกแล้วไม่เจ็บแล้วไม่ป่วยเนี่ยธรรมดาไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าอา้าวใครไม่อยากแก่มาใครไม่อยากป่วยมา ก็าเพราะมืก่อนออกมาเป็นคนขิ้โรคไงตั้งแต่อ ป, ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมขี้โลคมาสิปียีสิบปีหลังจากมาเจอวิธีนี้รู้จักลูกจกั ก, จกนามแล้วโอ้ทียขี้โลคเพราะอะไรเพราะเราเพลินในการอยู่การกินเพลินในการทําอะไรที่มันเกินกําลังเพลินในการอยู่การกินที่มันเกินกําลังมันเพลินแต่หลังย่อปฏิบัติธรรมแล้วพอเอาทิ้งความเพลินมากขึ้นเมื่อขึ้นร่นางกายนีิสบาย เราไม่เพลินในความสบายและไม่เพลินในความไม่สบายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในเรื่องเพลินไม่เพลินให้ได้ถ้าจัดการเรื่องนี้ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะมันได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะไม่ใช่ยากเลยนะ ด, ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยดูแต่เรื่องเนี้ยทําท่าจะเพลินนะทําท่าจะชอบเอาออกไปก่อนอาหารทําท่าจะอร่อยพอแค่นั้นนะฮะ เพราะองนั้นก็เลยเอามาก็เลยมาทําอาทานอาหารแบบอะไแบบคือหั่นผักผลไม้เนี่ยเป็นหลักข้าวปลาอาหารที่ว่าอร่อยเอาไปทานทีหลังพอทานผักผลไม้ใกล้จี่แล้วเออมันมีก็ทานาพวกอาหารอร่อยไม่มีก็ไม่ทานมันก็เลยสบายไงผักไม้ใบหญ้าเก็บกินเนี้ยนะ่ะ ที่วัดจะมาที่วัดดอยนะมาปลูกไอ้ดาวอินคาขึ้นข้างเไปลามานั่งฉันข้าวมานั่งตัวนี้นั่งน้ำพริกถ้วยหนึ่งอะไรก็ตามยอดใบใบมันขึ้นตรงนั้นก็เก็บกินตรงนั้นเลยเนะ่โอ้มันสดๆเลยอะ่ะบางทีก็มุดแดงมาตอมอ่ะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราถ้าทําให้เขาติดสบายติดอร่อยเขาก็นิสัยเสียนะถ้าไม่สบายไ ม, ไม่อร่อยนี่บางคนเดี๋หูไม่ยอมไม่กินเลยนะนั่นนิสัย เสียล้นิสัยของร่างกายแล้วก็เปลี่ยนนิสัยเขา้ามาถ้าความเจ็บป่วยที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจเนี่ยอันไหนดีกว่าเพราะในไหนไม่ต้องเจ็บปวดอยู่แล้วเนี่ยอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นด้วยความไม่ได้ไม่เจตนาแต่อย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นโดยเจตนามันต้องเกิดอะถ้าส อ, สองอย่างให้เลือกเราจะเลือกอันไหน เจตนาให้เกิดนั่นแสดงว่าเลยเจตนาที่จะดับได้ด้วยใช่ไหมอ่าเกิด <c oughs> นั่งอยู่ดีๆปวดท้องขึ้นมากระทันหันเนี่นะโดยไม่โดยไม่ได้เจตนาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเป็นไงรูปความรู้สึกปกติไหม <c oughs> ไม่ปกติอ่านั่งอยู่ดีปวดขาขึ้นมาทันทีทันใดไม่ความรู้สึกไม่ปกติแต่เวลาออกกาําลังกายมันปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังเราเจตนาให้มันเกิด แต่ปรากฏว่ามันเข้มแข็งไฟที่ในบ้านของเราเราเจตนาให้มันเกิดกับเจตไม่เจตนามันเกิดอันไหนปลอดภัยกว่าอ่าเจตนาเพื่อไฟเนี่ยเจตนาให้มันเกิดก็ไปกดเพราะเจตนาเปิดเราจะไปฟุ้งเข้าของปลาก็ปุ๊บเจตนาเปิดแก๊สพอหมดธุระแล้วก็เป็นไงปิดได้สิ่งไหนที่เราควบคุมได้สิ่งนั้นเป็นธรรม สิ่งไหนที่ควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นเป็นอาธรรมเรียกว่าเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ความเจ็บความป่วยเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันแก่มันเจ็บเองป่วยเองเนี่ยเขาเรียกว่าความแก่ความตายแต่ถ้าเราตั้งใจให้มันเจ็บมันป่วยเช่นการออกกําลังกายมันไม่สบายนะแต่นั่นมันจะทําให้เราปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่หลงพ่อพุทธทาสบอกว่าแก่ซะ ก, ก่อนแก่เจ็บซะ ก, ก่อนเจ็บแล้วก็ตายซะ ก, ก่อนตาย ถ้ามันแก่เจ็บตายไปโดยที่เราไม่มีการเตรียมตัวเนะี่ยไม่มีการเตรียมตัวแก่ไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการเตรียมตัวตายนั่นเป็นการแก่การเจ็บนั่นตายโดยแท้ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอามาก็เห็นนะเห็นว่าเอครูบาอาจารย์ท่านแสวงทำปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตเจ8ดสิบปสิปีกว่าท่านจะหมดกิเลสอาสวะหรือธรรมะเกิดขึ้นเนี่ยท่านเริ่มป่วยแล้ว ก็อยู่ไปสอนได้ไม่นานห้าปีสิบปีไปละแต่ระยะเวลาที่สแสวงหา3ามสิบสี่ิปีเนี่ยโอ้โหเสียดายเวลาแต่ท่านจะเพราะใช้เวลาสี่สิปีในการสแสวงธรรมและบรรลุธรรมทําไมไม่ใช้เวลาแค่สี่สิปีในการเผยแพร่สิ่งนั้นหรือห้าสิปีก็ได้ให้มากกว่าผู้เรแสวงหาปฏิบัติธรรมแค่หปีแต่ท่านใช้ธรรมะที่ท่านมรรลุธรรมถึงสี่สิบห้าปี ถึงทอดมาหาเราที่สามพปีนะีได้ก็เพราะว่าเหมือนกันร่างกายเนี่ยมันแก่มันเจ็บมันตายเป็นธรรมดาแต่การที่แก่ช้าตายช้าเจ็บช้าหรือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่ธรรมดามันจะต้องมีการทําอะไรสักอย่างเกิดขึ้นดังนั้ น, น, นตื่นเช้าขึ้นมาเพราะนั้นบางคนก็รับหลวงพ่อไม่ได้นะก็มาถามเรื่รู้เต่นแรงเต่นกะไม่เรียบร้อยเลยเนะี่ยอ่า ถ้าคุณเรียบร้อยสวยงามแต่คุณป่วยก็คุณดูกระโดดกระเดกแต่คุณไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วคุณเอาอะไรดีเอามาเอาอย่างหลังดีกว่านะเอามาไม่ยอมเรียบเรียบเพียบเพียบเรียบร้อยอย่างนั้นนะมันเจ็บอมป่วยเอาไหมไม่เอาดูสวยงามแต่มันอมป่วยเอาไว้อะเพราะฉะนั้นตีเช้ามาตีสี่ที่ห้ามาไปจัดขอดวันนี้หลายปีแล้วอ้าถ้ามาสไตล์หลวงพ่อคุณต้องทำวันนี้ถ้าถ้าคุณรับวันนี้ไมปคุณไม่ต้องมาบอกหลวงน้าไปเลยนะเพราะอะไร เพราะว่านั้นเราจะได้ฝึกกายอบรมกายอบรมศีลอบรมกายไม่ใช่อบรมให้มันเรียบร้อยนะอบรมให้มันมีความปกติที่ไม่เจ็บไม่ป่วยน้ำมาก็ไม่กินยาเลยนะตั้งแต่น้ำมากินอาหารเป็นยายาไหนที่มันไม่เป็นอาหารไม่เสียเวลากินถึงอร่อยขนาดไหนก็ไม่เอาถึงเจะจําเป็นต้องกินกินให้น้อยที่สุดแต่อาหารไหนที่มันเป็นยาไปด้วยรักษาไปด้วยเอาเท่าไหรเท่ากัน แต่ก็รู้พอประมาณนะทานอาหารเป็นยาอะไรที่อร่อยเนี่ยพยายามระวังไว้ก่อนเพราะอันนัมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ปรุงแต่งมันมไม่อร่อยแล้วนะแต่พยายามกินเพราะว่ามันทําให้ร่างกายสบายนะนั่นนั้นตีเช้ามาก็มีการออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ําร้อนดื่มน้ําร้อนแล้วก็ เราก็ถึงมาทํำว่าสวดมนต์กันบางทีก็ไล่ให้ไปอาบน้ํากันอ้าวตื่นขึ้นมาคุณไม่ต้องไปอาบน้ําล้างหน้าเหมาะกําลังกายก่อนเลยพอร่างกายเสร็จแล้วคุณไปอาบน้ําล้างหน้าค่อยกลับมาทํำว่าสวดมนต์เรายืดหยุ่นได้คือมุ่งการกระทํามุ่งการแก้ไขไม่ได้มานั่งทํากันทั้งวีทั้งวันนะะแต่มุ่งการแก้ไขอันไหนที่มันรู้สึกเพลินก็แก้ไขให้เต็มที่ยังไงก็ได้ให้คุณหายเพลินก็แล้วกั น, นเพราะว่าอันนั้นคือตัวหลัก ถ้าปฏิบัติวอาคนเพลินไม่ได้อารมณ์ทั้งวันเคนคุณอย่าอย่าไปเชื่อเพราะอะไรเพราะอันนั้นแหละมันจะทําให้คุณตีกลับไปถ้ามันไม่เพลินแลคุณทุกข์กว่าเก่านะวันไหนไม่ได้อารมณ์เราหูอารมณ์เสียเลยงานนี้ถ้างานเสียเลยเพราะไม่ได้อารมณ์คือไม่ได้เพลินตามอารมณ์มันแหละการเพลินบางทีได้อารมณ์นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการได้อารมณ์หรือไม่ได้อารมณ์แต่เราต้องการว่ารู้ว่าอารมณ์มันจากอะไรการเกิดขึ้นของอารมณ์ดีเป็นยังไงการเกิดขึ้นของอารมณ์ไม่ดีมันเป็นอย่างไร เพราะอันนี้มันแน่นอนกว่าเพราะลักษณะความรู้สึกดีหรือไม่ดีมันเกิดตลอดแล้วกลับไปบ้านก็เกิดเราไม่ใช่ว่ามาที่นี่เขาก็แต่งสรรให้ดีหมดอาหารการกินที่อยู่ไอซ์ไซส์แม้แต่ภาษาก็เป็นภาษ า, า, ษาดอกไม้ ห, หมดไหมใช่ไม่ใช่เป็นภาษาห่อผ้าสาเหลาเหมือนอยู่ที่บ้านนะเพื่อน้องกษัริยบานก็เพลินนะก็ยิ่งอก็ยอยากจะมาปฏิบัติที่มาไปจัดการเพื่ออค์นิก็ใช้อย่างเงี้ยแต่มไม่ได้รับมากนะอเอาแคไม่เกินสาสิบ บางครัที่เขารู้สติเมื่อก่อน20 30มันได้เข้าไป50 60มันเกินก็เลยเอ๊ทาไงดีมันเกินพอบางทีมากเกินไปดูแลไม่ทั่วถึงปล่อยให้ผู้ปฏิบัติเดินด น, ด น, ด น, นั่งเดินเดินนั่งนอนกันตามเพลินทักครูบาอาจารย์ไม่ไปดูเลยไม่ไปถามเลยปล่อยให้เดินอย่างเงี้ยมันก็เพลินไงดิคนใหม่เพลินทางบวกบ้างเพลินทางลบบ้างอพอมันเพลินแล้วมันก็ได้สมาธิแล้วระดับหนึ่งสบายได้อารมณ์ กลับไปบา้านกเหมือนเดิมตื่นสายเหมือนเดิมขี้เกียจเหมือนเดิมบ่นเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมอาหาทางมาปฏิบัติอีกยุ่งั้นนะเทียวไล่เทียวคือไม่จบเป็นที่เขาจะมาจัดอยู่ทุกที่นะคุณมาเกินสามครั้งคุณไม่พัฒนาครั้งที่สี่แล้วไม่รับแล้วนะ แต่ถ้าคุณพัฒนาเรื่อยๆคุณจะมากี่สิบครั้งก็ได้เห็นพัฒนาเห็นความก้าวหน้ามาครั้งที่หนึ่งคุณละอันนี้ได้ครั้งที่สองคุณละอันนี้ได้ครั้งที่สามให้ชัดเจนว่ามาแล้วมันละอะไรได้บ้าง ม, มาได้เรื่อยๆมาแล้วอย่างคุณก็อย่างเหมือนเดิมขี้เกียจเหมือนเดิมพูนมากเหมือนเดิมกินเยอะเหมือนเดิมแล้วก็นอนตื่นสายเหมือนเดิมอ่ะ ข้างที่หนึ่งที่สองไม่ว่าข้างที่สามว่าข้างที่สี่แล้วบอกว่าถ้าคุณคนนี้มาลงทะเบียนนะบอกว่าเต็มละไม่ต้องรับสั่งเอาไว้กองลงทะเบียนนะเพราะฉะนั้นมันมันต้องมีจาการพระพุทธเจ้าท่านจําแจกจอมกัดเวลาของท่านว่าอย่างเร็า ท, ที่สุดเนี่ยไม่เกินจิตปีคุณต้องดับทุกได้ระดับได้ระดับหนึ่งอย่างเร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันถึงสิบห้าวัน ต้องละทุกได้ระดับใดระดับหนึ่งถ้สติปัญญาที่มันช้าเพราะสติปัญญาของคนไม่เท่ากันศรัท <c> ธ <oughs> าและความเพียรของนคนไม่เท่ากันถ้าสติปัญญามันดีความเพียรดีเนี่ยมันก็ไม่นานหรอกแต่ที่มันช้าเพราะว่าความเพียรก็แย่สติปัญญาก็แย่แต่ศรัทธาดีทำไปรเรื่อยๆเดี๋ยวมันอัพขึ้นมาความเพียรก็ดีขึ้นมาศรัทธา ก, ก็ดีขึ้นมาสติปัญญาก็ดีขึ้นมามันก็พัฒนาได้ อย่างช้าไม่เกินเจปีนะเพราะฉะนั้นให้ไปดูเรื่องที่สองเรื่องที่ว่าเนี่ยนะฮะว่ามันไม่สบายนั่งไม่สบายก็ให้รู้สึกตัวเราเปลี่ยนความไม่สบายให้เป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนความสบายให้เป็นความรู้สึกตัวอย่าเปลี่ยนความสบายเป็นความเพลินอย่าเปลี่ยนความไม่สบายให้เป็นความเพลินความไม่สบายก็เพลินได้เหมือนกันนะนั่งงเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนมันนะทุก มาดูไปเรื่อยๆอ น, นี้เขาเราียกว่าเพลินในความไม่สบายขี้เกียจปฏิบัติด้วยความขี้เกียจขยันทําแต่ขี้เกียจเปลี่ยนนอันนี้ไม่เอาคุณขยันเปลี่ยนขยันรู้สึกไปเรื่อยๆขยันตามรู้ขยันเอาความเพลินออกให้ขยันอย่างนั้นไม่ใช่ขยันทําแต่คุณทําโดยที่ไม่รู้อะไรมันเพลินในสุขก็ไม่รู้เพลินในทุ ก, ก็ไม่รู้เนี่ยคุณขยันไปก็ไร้ประโยชน์นะ เพราะไม่เห็นการไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงกลับไปเที่ยวนี้คุณมาแล้วคุณต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองระดับใดระดับหนึ่งนะแต่เมื่อไรรู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเคยตื่นสายกลับไปบ้านเที่ยวนี้เคยตื่นเช้าคุณเปลี่ยนแปลงได้ระดับที่หนึ่งเมื่อก่อนคุณอยู่ที่บ้านคุณจู้จี้ขี้บ่นพูดมากแต่ไปเที่ยวนี้รู้สึกเออสงบปาสงบคํออาำแสดงคุณเปลี่ยนแปลงได้บางแล้วมาใหม่กลับไปบ้านรู้สึกว่าคุณกินตามใจอยาก ตามใจปากตามใจท้องแต่เดี๋ยวนี้ละได้กินเป็นกาละเวลากินรู้จักกินเมื่อก่อนคุณไปบ้านอาหารไม่อร่อยไม่กินกินอาหารที่อร่อยที่บ้านไม่อร่อยไปหาซื้อกินเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อร่อยอร่อยก็ทานได้สบายทานให้รู้สึกตัวไม่ได้ทาน อ, าอร่อยเอออันนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเออเส้นเี้ยงว่าแสดงว่าม า, มาปฏิบัติเทวนี้ได้ผลบางคนบอกว่า ผมตอนแรกผมเดือนแรกผมทำได้ดีมากนะหลวงพอเดือนที่สองที่สามมามันกลับไปเหมือนเดิมเลยวะ น, นั้นแสดงคุณต้องวนกลับมาเข้าคอร์สใหม่มามาฝึกให้มันเข้มแข็งใหม่บ า, า, างคนก็มาสามครั้งสี่ครั้งขึ้นไปกันใช้ได้นะนานๆนนก็มาทีนั่นถือว่ามันจะทําท่าจะกลับไปที่เดิมเอะเข้ามาทีหนึง่งถ้า บ, บางทีปฏิบัติที่บ้านได้ดีฝ่านะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมีอิสระมีเสือ่อไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีคนเยอะ แต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความเข้มแข็งระดับหนึ่งนะมีความตั้งใจระดับหนึ่งีิยมคนหนึ่งอยู่ที่ลาสเวกัสปฏิบัติกันมาหลายปีเกือบสิบปีแล้วเดี๋ยวนี้มาในช่วงที่มาไม่ไปอเมริกาเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นเขาเปิดอบรมนิยมคนนี้ก็จะไปช่วยคนนั้นก็เชิญจะไปคนนี้ก็เชิญไปเหมือนโยมวิกุลนี่แหละเออเขาทำงานแทนได้เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ทํา ในช่วงไหนว่างสาวันหวันก็ไม่ต้องเป็นดูนังฟังเพลงไปชวนเพื่อนบ้านคุยแม่ขอเก็บอารมณ์ทําอาหารการกินใส่ตู้เย็นเอาไว้ลูกสามีจะต้องการจะกินก็นคุณไปเอาอาหารในตู้เย็นมาใส่ไมโครเวฟวอร์มกินเองก็แล้วกันฉันเตรียมให้เรียบร้อยละแต่ฉันขอเวลานะก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆในที่สุดปัจจุบันเขาก็ไปไหนเขาก็ช่วยหลวงพ่อได้ทุกงานละในแต่ละรัฐที่ไปก็จะมีผู้นําภาวนาอย่างเนี้ไมโครเวฟไปหลวงพ่อไป องสององก็ทํางานได้ทั่วอเมริกาล้วพอโยมช่วยกันไม่ใช่มาปฏิบัติ3ปีหปีเสร็ 6, ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงพูดธรรมะก็ไม่เป็นทําฝึกทำไปเป็นก็มานั่งเงางองอยู่ปฏิบัติมาหลายปีก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมโอ้ไม่ได้เสียเวลาหลวงพ่อคุณไปทางอื่นก็แล้วกันคุณไม่เหมาะกับทางนี้พ่อบอกไปเพราะฉะนั้นมันมันต้องเห็นการพัฒนานะถ้าเราอยู่อาจารย์คนไหนไม่พัฒนาบอกคุณอย่าอยู่เสียเวลา มาอยู่กับธรรมาไม่พัฒนาก็ยังมาอยู่เสียเวลาไปหาอาจารย์ที่ทําให้เราอยู่แล้วพัฒนาไปหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เป็นพระครูบาอาจารย์ชาวบ้านก็ได้คุณไปอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกพัฒนาต้องอยู่กับเขาเพราะนั้นพระุทธเจ้าบอกว่าเพื่อนหรือเพื่อนหรือกัลยนาณมิตรเป็นทั้งหมดของเรานะไม่ใช่พระนุลบอกครึ่งเดียวพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทั้งหมดเลยนะถ้าคุณพึ่งเขาเนี่ยคุณได้ทั้งหมดเลยอ่าใ น, นที่สุดคุณจะพึ่งตัวเองได้นั่น ตรงนี้บางทีครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ดีแต่เรารับไม่ได้ก็มีอันนี้นิสัยท่าทางกายของมันครูบาอาจารย์บางท่านดีบ้างไม่ดีบ้างเรารับได้ก็มีนะนั้นเราก็ดูว่าคาว่ารับได้หมายความเห็นการพัฒนาตัวเองนะรับได้ไม่ใช่ถูกชตากันรับได้เพราะรับได้เพราะท่านพูดเพราะรับได้เพราะท่านมีอะไรดีไม่ใช่เงี้ยนะรับได้เพราะเอาเห็นการพัฒนาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเอง บางทีไปอยู่กับท่านจะลำบากยากเย็นแค่ไหนก็ตามเราเห็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็ยอมอยู่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์บางคนมีอะไรทุกอย่างสบายมากแล้วอยู่สบายอันตรายนะอย่าอยู่อย่าอยู่ด้วยนานเพราะเราจะอ่อนแอลงนะอยู่ที่ไหนแล้วอ่อนแอลงไม่พัฒนาอย่าอยู่นานเพราะเราเสียเวลาที่นั่นจะดีขนาดไหนก็ต้องไปไปอยู่ที่ไหนมันลำบากขนาดไหนเรเห็นความพัฒนาเห็นการพัฒนาตัวเองอยู่นะ ดูที่การพัฒนาตัวเองรู้ได้ไงพัฒนาไม่พัฒนาเพราะเราละในสิ่งที่นิสัยเก่าๆ เ, เ, เดิมๆของเราที่คิดว่ามันไม่ดีอ่ะมันดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกนะสมัครปลูกฝังสติปัญญาตัวเองให้ให้ได้ตลอดเวลานะตัวนั้นคือประโยชน์ของเราดังนั้นการปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ไปให้ไปดูความรู้สึกสบายลงมือใหม่ๆนะ ทักพักหนึ่งเดินไปมันก็จะเพลินในความสบายนั้นอันนี้มามก็ซ้ำซากนี้มาไม่รู้ที่สิบปีมันเป็นสูตรเดียวกันหมดอ่ะมันไม่มีอะไรแตกต่างพอรู้สึกไม่สบายเราก็เพลินไม่อยากเปลี่ยนทํามันอยู่ยงั้นแหละไม่รู้จะทําอะไรมีเวลาเยอะไม่สบายก็เดิมอยู่งั้นแหละใช้ความอดทนเอาพัฒนาขันติว่างั้นเพราะนั้นรูปและแบบปฏิบัติเอามาให้ให้เปลี่ยนได้ แต่บางแห่งไม่ใช่งนั้นคุณต้องเดินเท่านั้นชั่วโมงคุณต้องเดินเท่านี้ชั่วโมงไม่ได้มันผิดธรรมชาติของคนให้ทําตามกําลังของเราเราเดินได้แค่นี้ก็คือแค่นี้เรานั่งได้แค่นี้ก็คือแค่นี้เอามาไม่ไม่ไ ม, ม, มีให้ไปครูบาอาจารย์ไปคุมว่าคุณจะต้องนั่งเท่านี้ไม่เพราะอะไรเพราะแต่ละคนต้องพัฒนาตามศักยภาพตามอินทรีย์ตามความเข้มแข็ง ข, งของตัวเองคนอ่อนแอจะทําให้ทําเข้มแข็งเหมือนคนเข้มแข็งมันไม่ได้ แต่ทั้งคนอ่อนแอและคนเข้มแข็งมีสิทธิ์ที่รู้ธรรมะได้เหมือนกันแต่ทําให้มันถูกข้าวเหนียวมันก็แข็งแบบข้าวเหนียวข้าวเจ้ามันก็อ่อนแบบข้าวเจ้าแล้วก็โอ้อ่อนเหมือนข้าวเจ้าหรือมันก็อ่อนว่ากินอร่อยอีกแบบข้าวเหนียวมันแข็งมันเหนียวอร่อยอีกแบบหนึ่งคนที่อ่อนแอปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็ดีอีกแบบหนึ่งคนที่เข้มแข็งปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็ดีอีกแบบหนึ่งนึกถึงธรรมชาติจะให้มันเข้มแข็งเป๊ะเหมือนกันอ่ะหุงข้าวมา แข็งเป๊ะเป็นไงมันใช่ไม่ได้เราปุ๋ยหุงข้าวเหนียวแฉะมันเข้าหุงง้อเป็นไงใช้ได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นให้เอาตามกําลังอิสระแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันคนรจะได้มัอนกันคืออย่าเพลินในความเข้มแข็งของตัวเองและอย่าเพลินในความอ่อนแอของตัวเองตัดความเพลินออกได้อ ให้มันรู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยอันไหนแข็งมันก็จะทำให้อ่อนนุ่มลงอันไหนมันอ่อนมันก็จะทำให้เหนียวแน่นขึ้น น, นั่นเองมันเสริมไงเพราะนั้นเวลาเราเดินก็ดีนั่งสร้างเฉวะเดินจู ก, กุมก็ดีทาตามกำลังว่าร่างกายเราทนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะแต่ว่าต้องทนหน่อยนึง จะไม่ทนก็ไม่ได้แต่อย่าทนเขาก็ทนไม่ได้หมายความว่าความไม่สบายหรือความสบายของร่างกายมันพามันไหลไปสู่จิตตัวนี้คือความยากของมันเพราะส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่าความสบายมันไปแปลงเป็นความเพลินอย่างไรมันเนียนมันละเอียดมันลึกต้องดูหลายๆครั้งว่าความสบายมันเปลี่ยนแปลงเป็ น, เปนความเพลินได้อย่างไรแค่นั่งไม่สบายลุกขึ้นเดี๋สักพักดูสอบไปสมามันเห็นความแตกต่างไหม รูส้สบายให้คนสบายมันก็เป็นยานะทาให้ร่างกายนี้ไม่แก่ง่ายนั่งนานๆความแก่มันปรากฏที่ไหนรู้ไหมให้รู้จักความแก่ความแก่ปรากฏยังไงตอนนี้ถึงคุณยุ่ยังหนุ่มนะแต่คุณก็แก่ลงทุกวันสัญญาณความแก่อยู่ตรงไหนร่างกายที่ไม่สบายมันแก่แล้วเมือคุณเป็นเด็กก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าไม่สบายปรับให้มันสบายเนี่คุณจะหนุ่มขึ้นทันทีเลย เวลาเราไปเก็บผักเนี่ยมันมีทั้งผักแก่ผักอ่อนเนาะมีทั้งยอดทั้งต้นนาะคุณจะเด็ดตรงไหนมันเด็ดยอดมันใช่ไหมในร่างกายในเราถือความไม่สบายเป็นผักแก่ความรู้สึกหนักหน่วงเป็นผักที่แก่แล้วเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ความรู้สึกที่สบายเป็นผักที่อ่อนและสดเวลาเราไปเก็บเมล็ดแล้วก็เด็ดเอายอดอ่อนมันใช่ไหมในการปฏิบัติการถามเราก็ต้องเอายอดของความรู้สึกยอดของความรู้สึกความพอดี แก่ก็ให้มันพอดีอ่อนก็ให้มันพอดีนะเพราะฉะนั้นความแก่ปรากฏตรงที่ว่าเราเจ็บปว่วยเจ็บปวดก่อนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดเปลี่ยนแปลงเป็นความเจ็บปว่วยมันฝังมาทีนิดนนิดนิด น, น, น, นะบางคนก็สาดิชอะยิ่งเจ็บยิ่งปวดยิ่งดีเอาตรงนั้นเอาเป็นลทัทธิลุยสีไม่ใช่หน้าที่ของพุทธละลัทธิของพราต้องการทางสายกลางไม่ให้สุดตรงไปทางความลําบาก และไม่ให้สุดตรงไปเรื่งความสบายความพอดีใครพอดีมันนะจะเอาพอดีมาตรฐานโคตามาไม่ได้โคตามาอาจจะนั่งสิบนาทีพอดีได้เปลี่ยนข้างหนึ่งโยมอาจจะไม่ถึงแค่หนาทีก็เปลี่ยนแล้วนี่คือความพอดีของโยมอย่าไปเอามาตรฐานของครูบาอาจารย์มาได้และครูบาอาจารย์ทํำจนเป็นมาตรฐานก็ไม่ดีเพราะความเข้มแข็งเราฝึกมานานเราจะเข้มแข็งขนาดไหนก็ได้ใช่ไหม เราความเข้มแข็งที่ฝึกมาทั้งสาปีไปวัดคนมา3มวันไม่ไปทำไม่แฝงนะก็เขามา3วันเขาแข็งแค่3วันก็ใช้ได้ละนะเขามา7วันก็เข้มแข็งแค่แ7วันก็ใช้ได้แต่คุณมา7ปีคุณจะบังคับให้คุณมา7วันเข้มแข็งเมื่อคุณเปีนั้นมันไม่ได้เป็นสาดิสหรวาใช่ความสาดิสรุนแรงเอาพอกายทนได้ใจละ่ะใจจะทนหรือไม่ทน ใจให้มันรู้อ่ามันจะทนก็ได้ไม่ทนคือใจเนี่เอาแน่นอนไม่ได้แล้วแต่สภาพเพราะใจถ้ามันทนมันทนได้อย่างคุณเข็นนั่งจนตายมันก็ไม่เป็นไรมันทนได้นะจ๊ะมาอ่ไม่ใช่ธรรมดานะีพุทธเจ้าเอาอดข้าวเก็บยาตายพึ่งเมื่อใดรู้สึกมันทําผิดแล้วเนี่ยทรมานกายจนตายกิเลสไม่ได้เกิดจากกายกิเลสมันเกิดจากใจเพราะฉะนั้นทรมานใจอย่าให้ใจมันอ ถ้าใจเมื่อไรมันสบายไม่สบายตามกายได้เนี่ยมันพอดีอ่ะมันพอดีถ้ากายไม่สบายมันยังสบายอยู่ถ้ากายมันไม่สบายใจก็ยังสบายอยู่เนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้เพราะมันปรับตลอดเวลาเพราะนั้นเอาตามกายเป็นหลักกายสบายก็ใจสบายกายไม่สบายใจมันก็มันสบายตามทำตามธรรมของมันนะทีนี้เราจะทำยังไงให้ใจเนี่ย มันไม่เพลินในความสบายไม่สบายให้ดูแลกายนายต้องดูแลลูกน้องมันจะให้ดูองไปดูแลนายนะดูแลลูกน้องว่าออมันจะกินยังไงมันจะอยู่ยังไงเงินมันพอใช่ไหมมันเจ็บป่วยยังไงมันทำงานดีไหมเนี่ยกายใจในเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเป็นคนใช้เพราะนั้นเมื่อในฐานะจิตเนี่ยเป็นนายจิตก็ต้องเอาดูแลความสุขทุกข์ของกาย จะไปทรมานกายเอาตามใจตัวตามกิเลสไม่ได้ฟังแล้วเพลินไหมไม่ชีเพลินไหมเรื่มมองง่วงแล้วไม่ชีเพลินตั้งตัวให้ตรงให้ใจให้ลึกเอาพุ่นแต่ละครั้งนะอืโดยเฉพาะคนที่อายุมากมาปฏิบัตินี่ลำบากหน่อยเพราะเวทนาสูงอ่าแล้วก็ความทนของร่างกายก็จะน้อยต้องใช้วิธีปรับบ่อยๆไม่ใช่คนอายุมากจะปฏิบัติทำไม่ได้ได้แต่ขยันปรับหน่อยเพราะความเสื่อมมันปรากฏไวแต่คนหนุ่มนี่อ่าทนได้นานเพราะว่า ร่างกายยังมีความต้านทานสูงก็ทนดูเอาเท่า ท, ท, ที่กายทนได้นะแต่ถ้ากายมันทนได้ด้วยใจมันไม่ไปเพลินใช้ได้แต่ถ้ามันไปเพลินความสบายไม่สบายก็ปรับปรับเอาความเพลินออกนะเพราะฉะนั้นในช่วงเชา้านี้เอาเรื่องนี้ไปทำจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะบ่อยขนาดไหนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้สึกว่าอย่าให้มันเพลินในทางสบายไม่สบาย นะแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเราติดใจเอ้ลูกเปลี่ยนบ่อยๆรู้สึกมันมันสบายดีนะแล้วก็ไม่ยอมทนเลยทีนี้อันนี้ก็เพลินในความสบายพยายามที่ให้กายสบายเปลี่ยนตลอดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเราติดใจในความเพลินใชแล้วด้นความสบายกับความเพลินมันแยกกันยากตรงนี้ให้ไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีก่อนก่อนที่จะลงมือทํานะแล้วให้ดูความพอดีของมันนะ นั้นก็ขออนุมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาทำความเข้าใจนี้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเพื่อจะให้เด้ดวงตาเห็นทมกลับไปได้การทุกคนทุกทานเทอ